สีใสเป็นอารลณสิ้นใช่ไใชได้ไ ด, ด้จริงๆนะอันนี้ปลูกแล้วนะทำแล้วถ้าก็ดูสีใสก็เป็นอารมสินอารมสินเป็นปัจจัยเกิดจิตคุณญาณถ้าจิตคุณญาณที่แจมแ่มใสนั้นเ่นจอโล์สินใช่แสงสว่างนีแก้เป็นของแสงสว่างใสนั่นจัเป็นอโลมสินได้ เงินับเพชรก็เป็นมากกว่านั้นนะ อ, อแต่เพชรราคาแสนตกไป็นหลยเดี๋ยนี้ญาติโยมนะเพะว่าคอยเวลาสุดคุ้มเลยญาติโยมบางส่วนยังเดินมาตอนนี้ท่ามีอะไรคุยไหมที่ ย, ยาดินได้เลยเพราะว่าท่านปลูก ม, มาท่านเอยฝ้ายยืองทํามาแล้วด้วยใช่ไหย是 ราอยากโบบทบริสัทธิ์ตรงายบังคำเนี่ยนั่นในการเจริญของกรรมฐานสักครู่หนึ่งสำหรับวันนี้อขอพูดเรื่องจริตสองรายการคือโมหะจรวิกบิตกอความจริต ก่อนจะพูดเรื่องนี้ขอแนะนำเบื้องต้นก่อนการจเจริญ่องการประานเบื้องตน้นอาจจะยังไม่ต้องอาศัยฤทธิ์เป็นสำคัญสำหรับท่านที่ไม่เคยจเจริญมาก่อนเลยนะพูดที่ไม่เคยจเจริญมาก่อนเลยก็้ใช้ลมหายใจเข้าออกปเป็นพื้นฐานให้ใจเข้ากระ้อยู่ให้ใจเข้า ให้ใจออกก็รู้อยู่ว่ห้ใจออกสําหรับคําโอนาโยไม่จํากัดในเบื้องตน้นทั้งนี้เพราะว่าคำโอนาเพื่อโยนจิตให้เป็นสมาธิแต่ก็มีผลต่างกันไม่กันแต่ว่าธรรดามันดาท่านาาาาพุทธบริษัททุกท่านไม่เคยจเจริญมาก่อนท่านให้ใช้คำโอนาว่าพุทธโธเพราะว่าเป็นพุทธชานุสติกกรรมฐาน เวลาห้ใจเข้านึกตามว่าพุทธหายใจออก้วยตามมาโทรถ้าทำอย่างนี้ถือว่าเป็นพุท ธ, ธานุตรล้วนถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านและหลายท่านนั่งอยู่หน้าพรุทธรูปก็ดีถือว่าจำพพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งได้ก็ตามเพรุทธรูปทุกองค์ย่อมมีความหมายเหมือนกันคือแทนองค์พระพุทธเจา้า แสดงว่าบางคนอาจจชอบพระประเภทนั้นประเภทนี้จะรูปแบบแบบนั้นแบบนี้ก็เรื่องตามใจชอบถ้าชอบพระองค์ไหนรูปพระองค์ไหนที่วัดไหนก็ตามนึกถึงพระองค์นั้นต้นตัวจิตใจอยู่แล้วแล้ไปภาวนาไปด้วยขณะที่ภาวนาอยู่ว่าพุโทโธรูล้ลมหายใจเข้าใจออกเห็นภาพยังนึกถึงภาพรูปนั่นอยู่ชื่อว่าเป็นอุปจาระสมาธิเบื้องตน้น แต่ถ้าหากว่าภาพพระรูปสีเดิมพระตัสีเหลืองถ้าเริ่มจางลงจางลงจางลงจนทั่งเป็นสีขาวอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิเบื้องสูใกล้จะถึงฌานถ้าหากว่าถึงฌานภาพพระรูปจะกลายเป็นแก้วเริ่มเป็นแก้วน้อยๆไม่ลึกนักตอนนี้หูได้ยินเสียงทุกอย่าง ใครจะพูดกันดังก็ดีเบาก็ดีเสียงยาเสียงก็ตามได้ยินทั้งหมดแต่ว่าอูไม่ํำคัญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกว่าประสูมานชานเอาแค่นี้ก่อนนะพออย่างทำก็พออย่า ง, าออางไหพอแล้วนะพอเลืก อันอันดับแรกถือว่าเบื้องต้นบรรดาจักรพุทธบริษัททำแค่นี้ก่อนแล้วต่อไปที่คือเรื่องสูงขึ้นไปถึงอันดับสุดถ้าอันดับสูงสุดถ้าถึงชานสีหูจะไม่ยินเสียงภายนอกผิวหนังสัมผัส ข, ข, อของภายนอกจังสัตว์มาจากพอดีคนมากระทบพอดีจะไม่รู้สึกอย่างนี้เป็นชานสี่สูงสุดตามสี่ละเอียด แต่ว่าเรื่องเขาจะเป็นชาหรือไม่เป็นชาเนี่ยก็ตามอันนี้มีความสําคัญที่ต้องเขมรตัดอารมณ์กับเจริตคําว่าจริตหมายว่าจิตท่องเที่ยวไปทีเป่เว์ของจิตวันนี้ขอพูดจริญสองอย่างคือโร์ของจิตสองอย่างคือโมหะจริตกับพิจตกจริญโมหะตามภาษาบาลีทัน้นแต่บป็หลงพิจตแปลว่าตรึก ทั้งสองอย่างนี้มีอารมณ์ขุนมัวไม่กล้าตัดสินใจท่านที่จะเรีนยนมโนนิธิที่ไม่ได้กนะ็มีอารมณ์สองอย่างนี้ควบคุมใจคือไม่กล้าตัดสินใจตามเพื่นเขา ท, ท, ทั้งที่คําอธิบายก็บอกไว้แล้วว่าให้เืียอารมณ์จิตเป็นสําคัญถ้าจิตมีความรู้สึกแบบไหนให้ปฏิบัติแต่ให้ใหใหตอบแบบนั้น เขาถ้าครูถามมามีความรู้สึกเบืองแรกึ้นมาให้ตอบทันทีไม่จะถูกไม่ผิดนี่เป็นการหนึ่งในแนะนำไปแล้วว่าการเจริญกรรมฐานเดยเพพาะอย่างยี่งมโนจิธิไม่ต้องใช้กรรมฐานสูงไม่ต้องใช้สมาธิสูงให้ใช้สมาธิแบบเบาๆที่เรียกว่าอุปจาระสมาธิ <c oughs> คืออารมณ์ปกติธรรมดา ถ้าทำสมาธิหนักเกินไปความเป็นทิพย์คุณจิตก็ไม่เกิดถ้าย่อนไปนิดหนึ่งความเป็นทิพยคุณจิตก็ไม่เกิดต้น อ, อยู่แค่อุปจาระสมาธิเกลมสบายบางท่านก็คิดว่าถ้าจำใจจิตเบาๆเกินไปสมาธิไม่สูงก็ทำอารมณ์หนักเกินไปด้วยความเป็นทิพก็ไม่เกิดที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอารมณ์จิตตกตนในู่ในวงระโมหะจิตกิกะวิโสปจาริ อันนี้วิธีแก้มหาเจริญก็ดีวิโทกเจิญก็ดีทั้งสองอย่างนี้นทีในจิตเขาใครอย่างใดจีนหนึ่งก็ตามจะมีอารมณ์พุ่งสัน้นตัดสินใจไม่หลงไม่กล้าตัดสินใจพระพุทธเจ้าทรงแนะนาว่าถ้าคู่คนใดมีจริตสองอย่างในอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแล้วต้งสองอย่างก็ตามอยู่ในจิต สมเด็จะธรรมสามวิทยสังหารจริตนี้คนจากใจวิธีสังหารก็ใช้กรรมาฐานกองเดียวคืออาณาป า, า, านุสติกรรมฐานได้แก่การกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกโดยไม่ต้องภาวนาอย่างอื่นถ้าคืนภาวนาด้วยจะยุ่งจิบฟุกสั้นมากขึ้น <c oughs> ให้รู้เฉพาะลมให้ใจเขาออกโดยเฉพาะ ถ้าตามหลักเขามาสี่ประธานนสูตรก็เบาหน่อยเพราะว่าเป็นหลักสูตรของสุขารวสโกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกถ้าใจะให้ละเอียดลงนิดหนึ่งให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อ ด, ด้วยอย่างนี้ถือว่าสมาธิสูงขึ้น ในขณะที่รู้ลมให้ใจเข้าาใจออกนั้นไม่ต้องภาวนาทำเฉยๆให้จิตวิจิตทรงตัวเป็นการตัดอารมณ์ฟุ้งส่าของจิตเนือตัดใจเรื่องสองคือมหัศจริตกับวิตุพจนิพพานเพราะว่าจเรื่องสองอย่างต้องมีจิตมันฟุ้งซ่านไม่กลาก้าตัดสินใจฉะนั้นยงไม่ต้องภาวนาอะไรทั้งหมดควมมงว่าลมไม่อยู่เฉพาะลมให้ใจเข้าออก แต่การคุ ม, มลมให้ลมหาย ใ, ใ, ใจเขาออกที่บรรดาแต่พุทบริษัทใหญ่คิดว่าง่ายนะความจริงเป็นของไม่ง่ายเลยเพราะว่าอนาปานุติกกรรมฐานคือลมหาย ใ, หใจเขาออกนี่เป็นกรรมฐานใหญ่มากควบคุมกรรมฐานทั้งหมดกรรมฐานจริงๆตามวิสุทธิมรรคท่านเรียงไว้สี่สิบกอง จะเรียกว่ากองก็ได้จะเรียกว่าแบบก็ได้จะได้หมวดกรรมฐานไดในกองคือสี่สิบอย่างในกรรมฐานสี่สิบอย่างนี้อา น, นาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานใหญ่มากคมคุ้มอยู่สามหรือเก้ากองถ้าจะทํากรรมฐานสามหรือเก้ากองในกองใดกองหนึ่งก็ตามถ้ามไห้ขึ้นอนาปานุสติก่อนกรรมฐานกองนั้นนั้นไม่สามารถจะทรงฌานได้หรือบางคนก็ไม่สามารถจะสุนนม ส, ามาะสมาธิธได้โดย ไม้แต่สมาธิเบื้องต่ำฉะนั้นนาปาณุปปิกรรมฐานจะเป็นกรรมฐานที่มีความสาคัญมากโดยเตยเพราะอยาอยิ่งอานิสงส์ทางว่าท่านสามารถคุมน า, าปานุปติได้แม้แต่อุปจาระชายก็าตามถ้าทิ้งชายก็ยังดีมากจะสามารถระงับภขเวทนาได้เป็นอย่างดีถ้าอาการป่วยไข้สบายเจ็บปวดเกิดขึ้น ใช่คุณอน า, าปานุสติธรรมฐานถ้าจิตเริ่มเป็นสมาธิในน้อยอาการเจ็บปวดของท่านจะทุเลาลงอาการจะทุเลาลงนะความที่อาการของป่วยอาจจะไม่ทุเลาแต่ความรู้สึกทุเลาลงถ้าจิตเข้าถึงอุปจาระฌานจะรู้สึกว่าทุกเวทนาทั้งหมดจะมีความรู้สึกไม่ถึงสิอร์เซถ้าจิตเข้าถึงบัรถมชฌานาแล้วจะไม่รู้สึกว่ามีทุกเวทนาเลย ดัง น, นบรรดาท่าพุทธิสัชถ้าทรงนำฐานกองนี้ได้จะดีมากที่ราการหนึ่งพระพู้มีพระไาคเจ้าโสดจัดว่าบุคคลใดถท้คล่องในอา น, านาปานุสติกรรมฐานคำมากคล่องในหมายความใช้ได้ลุกหนาที่เราต้องการาเรื่องจับลมใจเข้าออกเมื่อใดเวลาหนึ่งจิตเป็นชานนันทีอย่างนี้เรีว่าคล่องไม่เลือกเวลา จะเป็นเวลาสงัดก็ดีเสียงดังก็ดีทำงานอยู่ดีสามารถทำได้ทุกหน้าไม่ต้องขัดสมาธินึกมาอะไรเป็นฌานทันทีเมื่อ น, นั้นถ้าคร่องขนาดนี้ทุกท่านจะรู้เวลาตายของท่านเองถ้าเราจะตายเมื่อไรเวลาเท่าไรเราจะทราบและการตายของท่านจะไม่เสียสติสติจะไม่ฟันเฟือนจะทรงฌานได้เป็นอย่างดี ถ้าสงาการได้อย่างนี้ส่วนใหญ่เขาเปฏิภัยกันเมืบส่วนนี้อ่อกออกมาก็กระตายจากความเมตคนก็เป็นลมว่าคนที่รู้ความเวลาตายได้ไม่มีใครก็มีความประมาทจะสามารถจะรู้กลงความดีทุกสัง่งทุกอย่างเข้าไว้แโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่ามีกำลังใจมีปัญญายเล็กน้อย ก็จะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่มีความหมายสาหรับเรากายเกิดเต็นมนุดมันเป็นทุกข์ทุกข์เท่านี้ยังไม่พอจะมีการเปลี่ยนแปลงคลือความแก่ข้อความเข้ามาทุกวันและก็มีการป่วยไข้มาสบายทั้งมาลุ ก, กวนมีการพัดพลาจากของรักของชอบใจมีความตัณหาไม่คยสมบูรณ์ทั้งหมดนี้แปลงกายเป็นของความทุกข์ทั้งหมดม่ที่สุดถึงความตาย บัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เบื่นห น, นา่ายใดไกลเกินไม่ต้องการเกิดต่อไปถ้ากำลังใจเป็นอย่างนี้แล้วสภานาปานุติปิญชญชันตายมารัรปณิพานมานานเื็นของไม่ยากอันนี้การจะสภาวนาปาในุติได้ปิญญชันมันก็ลําบากเหมือนกันไม่ใช่ง่ายยายคิดว่าไม่ต้องภาวนาอะไรเลยนี่ง่ายๆความจริงไม่ง่ายเลย กายกำหดนดรู้ราลารมณใจเขาออกบางครั้งอารมณ์ราโกรงก็าสามารถจะควบคุมได้ดีสัก5านาทีแล้วสิบนาที่ทง า, ทางท่านถ้ามีความฉลาดพอจะฝึก น, น้อยๆวันไม่มากเพียงแค่ใชร้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนจะสามารถคุมอารมณ์สมาธิทรงตัวได้จริงๆอย่างน้อยขึ้นทั่โมงวิธีปฏิบัติที่องค์สนเนมเด็จพระสงสมบัตทรงแนะนาไว้ ว่าการฝึกอนาปานุตติกรรมฐานนั้นทำจิตให้สงบสมาธิการควบคุมลมหายใจเขาออกนี่ก็ เ, เหมือนก็เราฝึกมาพยศมาพยศุศอะเรฝึกตามต้องการของเราให้ทาตามเราต้องการมันก็ไม่สามารถแม้คนไม่พยายามทำตามมันฝืนบางครั้งมันจะตามใจเราแต่บางครั้งมันก็ฝืนไม่ตามใจเรา พระเจ้าทรงแนะนำถ้าปะเอื้อมันฝืนจริงๆม้านะเดี๋ยวนเรื่องเรื่องมาถ้ามันเกิดพยศมาไม่ปฏิบัติตามเราต้องการเราให้กอดคอม้าไว้แล้วปล่อยม้าวิ่งไปมันจะวิ่งไปขนาดไหนพยยขนาดไหนก็ตามกอดคอมันไว้ไม่ยอมปล่อยในที่สุดเมื่อมันหมดแรงกำลังตกลงมันก็เลิกพยศ แล้วก็สามารถบังคับไปปฏิบัติตามใจเราชอบได้ฉันใดแม้กําลังใจของวันดาแต่พุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันถ้าจะฝึกอนาปานุสติสรมฐานให้เป็นฌานอันเฉพาะกองเดียวรองเดียวนี้ทำจิตให้เป็นสมาธิอารมณ์จะฉลายขึ้นตัดโมหะเจริญกวิตตเจริตเพราะโมหะเจริญกุลโตเจริญจะโกกุมใจเมียหลวงโงอกระมาทั ที่ไม่กล้าตัดสินใจตามเขาแนะนําก็เพราะความงู้เข้ามาทับผมใจมันมาชั่คราวแต่บางครั้งใจมันก็ฉลาดเป็นพุทธาจิตบางครั้งก็เป็นเป็โมหะจิตบ้างวิตจริ ต, ตบ้างเป็นธรรมดาคนใจดัจนั้นเมื่อหากว่ากําลังใจเราจะฝึกอนาคานุตรีให้ทรงตัวบางครั้งมันจะตามใจเราสามารถโสงสมาธิได้ดี แต่บางคราวมันก็ไม่ยอมแม้แต่หนึ่งวินาทีมันก็ไม่สามารถจะส่งสมาธิได้จิตไปคิดฟุด้งซ่านถ้าเป็นถ้ามันฟุ้งซ่านมากอย่างนี้จริงๆพระพุทธเจ้าทรงแนะ น, นำว่าพระบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงทั้งหมดถ้าไม่คิดวังคับไปอยู่ปล่อยไม่คิดไปการชอบใจเหมือนกับเราวังคับมากส่งประโยชน์ถ้าวังคับไม่ได้กอดคอมันไว้ ปล่อยไม่คิดแต่เราไม่ลืมสติมันม่คิดยังไงปล่อยไม่คิดไปมันจะคิดไปบ้างมากจริงๆไม่เกินสิบห้านาทีอาจะมาเคยทดลองตอน ต, อนตอน้นต่อไปมันก็เลิกคิดเม่มันเลิกคิดแล้วเลื่อจับอนาปานบางทีครับรู้ใหม่ตัว น, นี้จะทรงตัวแ น, นบนนเป็นชัยอันนี้เป็นเป็นการฝึกเวลามันพยศ วเวลายามปกติถ้าจะฝึกอาการให้ส่งตัวให้ใช้เวลาน้อยๆตามแบบที่สุชนักมตะบอกว่าให้นับหนึ่งถึงสิบให้ใจเข้าใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าใจออกนับหนึ่งถึงสองให้ใจเข้าให้ใจออกนับหนึ่งถึงสามาไม่ใช่ใจเข้าออกครั้งเดียวหนึ่งแล้วก็สอง แล้วก็ห น, น, นึ่งสองสามแหนึ่งสองสามสี่ยังนิดยากหน่อยถ้าจะฝึกแบบน้อยให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าจะออกอีกครั้งนับเป็นสองใใจเข้าจะออกอีกครั้งนับเป็นสามจนกว่าถึงสิบเริ่มต้นที่แรกเอาแค่สิบถ้าเราคิดว่ารเราจะรู้ลมหายใจเข้าใจออกแค่สิบครั้ง โดยไม่จิตคิดเรื่องอื่นเขามาครอบงมจิตถ้าบางอื่นในช่วงนั้นมันมีอารมณ์อย่างใดหนึ่งเข้ามาแทรกก่อนถึงสิบเราจะถือเราตั้งตั้งตนใหม่ถ้ายังไม่ถึงสิบจิตคิดเรื่องอื่นเพียงใดเราจะไม่ยอมเลิกจะตั้งตนใหม่เสมอตายเป็นตา ย, ตายถ้าอย่างนี้เราจะสามารถควบคุมใจได้ถึงสิบได้เป็นอย่างดีไม่กี่วัน สักสี่ห้าวันแล้ควบคุมใจแบบนี้ต่อไปยี่สิบ50มสิบสี่สิบห้าสิบันก็ไม่ไปไหนมันก็ส่งตัวจิต ก, ก็เป็นชาตต่อมาอีกสิ่งที่ต้องระวังขณนะเมื่อเจริณ า, าปานุติกะมัถายเข้าถึงอุปจารสมาธิสมาธิจะมีสามขั้นคือหนึ่งคณิกะสมาธิตัวสมาธิเล็กน้อย อุปจารสมาธิสมาธิเฉียดชานใกล้จะถึงชานสามอัปนามสมาธิเข้าถึงชานถ้าสำหรับอัตม า, มาอัปนานสมาธิจะแบ่งเป็นสีชั้นคือชั้นที่หนึ่งที่สองที่สาที่สก็แค่รูสามขั้นคื อ, อสมาธิเล็กน้อยสองสมาธิเฉียดชานสามเป็นชาน คำว่าสมาธิเล็กน้อยหมายความเราสามารถควบคุมลมหายใจก็ออกได้เพียงเวลาเล็กน้อยแล้วก็ไม่สามารถจะทรงตัวได้ดีนะักคุมได้นิดหน่อยอย่างมากสิครั้งสิก็ เ, เคลื่อนทิดอย่าอื่นเข้ามาแทรกบางทีก็รู้ลมหายใจเขาออกได้สองสามครั้งอารมณ์อื่นก็เข้ามาแทรกอย่างนี้ถ้าเรียกว่าคณิกาสมาธิ ถ้าถามว่ามีอานิสงส์ไหก็ตอบว่ามีอานิสงส์มากถึงแม้มวาม่วาอะไรุธจะคุมส ม, มาธิจิตได้จริงๆวันหนึ่งชื่อขณะจิตเดียวด้่หมายความทำจิตรู้ลมหายใจเขา้าออกได้สักสองสามครั้งโดยไม่มีลมอื่เข้าแทรกวันหนึ่งได้เพียงแค่เท่านั้นแต่ว่าทำได้ทุกวันถ้าเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระจีนศรีทรงกัด ว่าทุกคนจะทำได้อย่างนี้ทุกวันจะมีอิสงสมากกว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาบวชร้อยปีมีสิ่งบริสุทธ์ท้องสืขาบวไม่บกพร่องแต่ว่าไม่เคยเจริญสมาธิอานาบวถึงร้อยปีไม่ใช่รู้ไม่ใช่อายุร้อยนะอายุยี่สิบครบบวชร้อยปีก็ต้องมันร้อยยี่สิบไคอยอ แต่ว่าไม่เคยฝึกสมาธิเลยจะคุมศินบริสุทธิ์รูปขามอดสองร้อยที่เก็บไ่ปกติท่านบอกว่ามีสองสู้การทําสมาธิจิตในสมาธิวันชั่ณะจิตหนึ่งไม่ได้ทานี้เพราะอะไรเพราะว่าสินจะไม่บริสุทธิ์เพียงใดก็าตามที่ก็จะมีลงพุง่งซ่านการคุมสมาธิจิตวันเล็กน้อยการคุมมันเล็กน้อยไม่มีการสะสมตัว วันนี้ทําได้เแ่านี้อริสว น, นี้ไม่ขึ้นไปวันพรุ่นี้ทําได้น่อยก็สะสมตัวต่อมายิ่งมากวันก็ยิ่งสะสมตัวมากขึ้นถ้าศัยที่สมาธิสะสมตัววันเล็กคนน้อยจึงกว่าจะตายอารมณ์ก็ถึงชานเพียงแค่ปีเดียวอารมณ์ก็ถึงชานอย่างชานะ้าเนี่ยถ้าอารมณ์ถึงชานตายแนี่ความเป็นคนอย่างต่ำก็ไปเป็นกรม สันักผู้ทรงสินบริสุทธิ์จะสินเท่าไรก็ตามสินห้าสินแปดสินสิบสินงรยีสิบเจ็ดสินสามรัสินสามรสเอือสินวิสุนีถ้าแค่ทรงสินบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ไม่เชยทรงสมาธิกิจไม่สามารถไปเป็นผมได้อย่างเพียงก็อยู่แค่เทวดาเท่านั้นอยู่เิรสวันอันนี้สงต่างกัน ถ้าจเพาะอย่างเยี่ยงผู้มีสมาธิจิตเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญายอมเกิดสามารถปฏิพานได้จะเพาะสิ่งอย่างเดียวไม่สามารถปฏิพานได้มีอันสูงต่างกันแบบนี้แล้วต่อไปเมื่อบรรดาลผู้โริษัทคุมอารมณ์ใจเขาออกใเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิอันนี้ต้องระวังอุปจารสมาธิคือปีติปีติที่มันมีห้าขั้น ห้าตอนแล้วก็จะไปขอบอกมากนะมีตามความรู้สึกว่าตอนที่หนึ่งคือขุนทองสิ่งของกก่าขนลุกสู่สาตอนที่สองน้ำตาลไหลตอนที่สามร่างกายโยกโครมตอนที่สี่ตัวลอยมอกะศแต่ไม่ได้หอบกันลอยเองตอนที่ห้ามีกิจซราบซ่านมันก็ร่างกายก็าไปโตที่ะน้อยเนอย ต่อไปหน้าก็ตโตโขก็โตมีความรู้สึกแต่ตัวมันไม่โตอยู่แต่เป็นแค่ความรู้สึกต่อไปเมื่อลมละเอียดขึ้นมันจะละเอียดมากขึ้นจะมีความรู้สึกเหมือ น, น, นกับลมไหลออกจากร่างกายรอบตัวและในที่สุดจะมีความรู้สึกว่าไม่มีร่างกายคือตัวไม่มีมีแต่นหน้าและหน้าใหญ่อย่างนี้ถือว่าเป็นปีติตัวสุดท้ายอุปจารสมาธิเบื้องสูง แล้วร่างกายเขาร่างกายอยาเป็นยังไงของบรรดาจะานผู้ปัตหลายจงอย่าสนใจสนใจอย่างเรียนรุ้กิตเลียนศึวันนี้คนมีคนมาถามหลายได้การตัวโยกไปโครงมาเพระเรเนี้ยก็เคยบอกว่าเสมอในกรรมฐานสี่สิก็มีในผู้มือผู้ปฏิบัตรงฐานก็มีควจะดูถ้าไปสนใจร่างกายทำให้ความดีตกลงเสื่อมลง ร่างกายเป็นยงไงก็ช่างนี้ยตอนที่จิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิที่ปีติเนี่ยเมื่อจิตเข้าถึงปีติอารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์คำว่าเป็นทิพย์ยังไม่ใช่ทิพย์เลยขุยานความเป็นทิพย์ในน้อยยิ่งเกิดขึ้นตอนนี้อันดับแรกเห็นภาพแสงสีเป็นสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างตาเดีว่าสุดแรกจะสีอะไรจะเกิด ถ้ากำลังจิตละเอียดขึ้นภาคความเมติภยงปรากฏอาทิเชภาพภูเขาบ้างภาพป่าบ้างภาเพเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างมีบานบ้างอย่างนี้ต่างถ้าภาพเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ดีแสงสีต่ตางตเกิดขึ้นก็ดีให้ทราบว่าเวลา น, านั้นจิตขั้นทางองท่านเข้าถึงอุปษษจารสมาธิคือปีติและสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าอย่าสนใจกับภาพ อย่าสนใจกับแสงสีถ้าสนใจกับภาพสนใจกับแหล่งแสงสีความดีท่านสลายตัวสมาธิเสียทั้งนี้เพราะลายภาพก็ดีแสงสีต่างๆก็ดีจะไม่มีการส่งตัวเพราะว่าเราไม่ได้คิพยขุยานเป็นีเพียงว่าเวลานั้นถ้าจิตเข้าถึงความเป็นทิพย์ย่อมเห็นภาพที่ปราดกฏอยู่แต่ความเพีงภาพก็มีอยู่แล้ว ในเมื่อจิตเห็นภาพที่ปลายกดขึ้นมาจิตก็สะดุง้งพอสะดุง้งคือก็จิดก็ะพักจากสมาธิอันนั้นภาพก็หายไปแต่ความจริงแนละ้วภาพไม่หายมันเหมือนกับเราหลับตาลืมภาพจิตจิตสลับตัวที่จิตพัดจอจากสมาธิถ้าทุกคนไปสนใจในภาพและแสงสีต่างๆเพราะาภาพนี่จะปรากฏไม่ซ้ากันเพราะเราไม่ได้บังคับได้ สุดท้ายแต่อะไรจะขึ้นมาถ้าวันนี้เห็นชัดเจนอย่างใสภาพสน ส, สดงานเราติดเห็นภาพวันหลังต้องการเห็นภาพเห็นแสงสีถ้ามีความต้องการเกิดขึ้นมันจะไม่เห็นประจิตฟุ้งซ่านตอนนี้อารมณ์ก็เริ่มกลมุ้มคิดว่าเราดีไม้พอหนักเข้าไ็จะทความเพียนมากขึ้นไม่หลับไปนอนไม่ทับไยก่อนตอนนี้ก็เริ่มเป็นโรคประสาทก็ต้องหนักใจหมอ โลจิาบานี่ไหนลนะ่ะทาเจ้าต่างนะสินนะเรียกเพราะๆหน่อยต่างผูสารฤาษีทัญญยาต้องไปอยู่ที่นั่นนี่เขาบรรดาในบริษัท ต, ต้องรับรับมาตวงเรื่องนี้ให้มากจึงคิดว่าเราต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขคืออารมณ์สมาธิเราจะไม่หลงในภาพ แ, แสงสีต่างๆภาพแสงสีมันย่อมปราฐกฏ มันจะปรากฏยังไงก็เ็เรื่องของภาพของแสงของสีมันจะมีปรากฏขึ้นมาหรือมันจะหายไปก็เป็เรื่องของมันเราต้องการอย่างเดียวคือคลุมจิตเป็นสมาธิอย่างเดียวให้ตัง้งต้องการส่งตัวไปตามนี้นะอันนี้นะว่าทําไปทำไปอามณ์ให้ใจเนี่ยจะตกใจเรื่องลมหายใจเราสำคัญเหมือนกันถ้าจิตเริ่มเป็นสมาธิอันดับแรกลมหายใจของเราจะหยาบหายใจจะมีความรู้สึกมาก พอจิตเริ่มกระทึงอุปจาระสมาธิรู้สึกว่าจิตจะเริ่ม อ, อารมณ์ใจจะเริ่มเบาลงในความจริงอารมณใจไม่เป่าแต่จิตกระบาดเริ่มแยกตัวกันพอจิตเขาาต้าถึงฌานต้นคือว่าธมะฌานลารมณใจจะเบาลงมากพอจิตเรื่องเขาถึงฌานสี่จะไม่ปลากดลารมณใจ เรานั่งจะต้องเผลเฉยมันไม่ให้ใจเลยแต่ความจริงร่างกายจนะให้ใจและจิตจัมพ์ศาสตร์แยกกันจิตไม่รับรู้เรื่องจัสต์อย่างนี้ก็ทําคนเสียมาเยอะไว้กันเพราปรากฏไม่ไม่รู้สึกลงหัวใจก็เลยเลิกกลัวตาย <c oughs> ดีมันมีเยอะแล้ไม่มจะไม่มีต้องให้เข้าใจตอนนี้ว่าถ้าหากว่าปรากฏไม่รู้ลงหัวใจเขาออกเมื่อไหร่เวลานะั้นให้ทราบเวลานั้นจิตนั้นฉันสี ใวขอแนะนำว่าเป็นกรณีนะแต่ว่าการจะริ่สมาธิเฉยๆแค่ชั้นชั้นไหนก็ตามบรรดารต่านผู้โดยตารเราก็ยังไม่สามารถพ้นจากออกไปายากุลได้แน่นอนเราคอยย้ำสังโยชาเมตต ว, วันปาถิหาว่าท่านคลายใจสมาธิเมรัยก็ควบคุมกำลังใจเล็กน้อยให้ทรงตัวอยู่คิดตามความจริงว่าชีวิตนี้มันลงตาย ตามพิพุธเจ้าทรงตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่แต่วันเวลาที่เรตายหาความแน่นอนไม่ได้ต้องอาจจะตายวันนี้ไปเสมอหลังจากนั้นก็ตั้งใจยอมรับนับถีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริสงไม่สงสัยในความดีของท่านและตั้งใจทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ย้ายบกเรา น่าจะนั่งจิตหวังไว้อย่างเดียวว่าถ้าร่างกายนี้พังอะไรเพราะปฏิพันธ์เมือนั้นเพียงเท่านี้อารมณ์ท่านจะมีลมคายขึ้นก็โสดาบันเพราะว่าระโสดาบันจริงๆท่านนีเป็นระโสดาบั น, น, น, บนมีลมถึงสาอย่างคือหนึ่งสอย่างนะครรภพุทธเจ้าสองค ร, ระธรรมสามครพระอริยสงฆ์สี่มีสินห้าบริสุทธิ์และก็จิตมีความต้องการจุดเดียวคืนอนิพพาน ถ้าเป็นอย่างนี้ทรงตัวบรรดาแตนพุทธิริษัตวทุกท่านขึ้นเชื่อบายภูมิทั้งหมดมิลรกกคอดีเประเดียนสุรกายก็ดีตสติชายอดีท่านไม่มีโอกาสจะไปเกิดและจะไม่ไปทุกชาติที่ยังเกิดอยู่จะมีทางจุดดีหรือก้าวก้าก็ใกล้พรนิพันถ้าสวรมคสามรายการี้อย่างหยาบที่เกิดเตินมนุษย์อเกตชัยกับพันิชั ถ้าทําได้อย่างกลางจะเกิดเป็นมนุษย์สาษชาติปณิพันธ์ถ้าทําได้อย่างละเอียดจะเป็นมนุษย์อิชาเดียวปณิพันธ์แต่ถ้านประทันหลายเป็นคนฉลาดถ้าสามารถทรงอารมณ์ต้องเสสานได้การได้คือหนึ่งไม่ลืมความตายสองไม่สงสใยในคุณพระรัตนตรัยสทรงศินห้าบริสุทธิ์สี่จิตหวังปณิพันธ์เป็นอีไ ก็ใช้ปัญญาเล็กน้อยว่ากายเกิดเพืนน่อลดมันเต็มไปด้วยความุกเราไม่ต้องการมันอีกเราถ้ า, ากลางกายนี้ตายมันไร้ข้อปัญพาจุดเดียวตื่นขึ้นเช้ามาใหม่ๆ่คิดอย่างนี้ก่อนจะหลับก็คิดอย่างนี้เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนที่ท่านจะตายในวันนั้นท่านจะเป็นพระอรหันต์